ท่าฟังที่เคารพคะ่ะได้เวลาแล้วนะคะที่จะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวจนะกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนแห่งวัดป่า ด, ดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีคะ่ะน้อมสักการกัะท่านคะ่ะอาจารยนพรค่ะวันนี้ก็ได้ปฏิบัติธรรมกันไปในช่วงต้นนะคะภายใต้การนําของพระมาแล้วก็ยังอ่านพระสูตรเรื่องอานาปนาสติเกี่ยวกับก เ, เวทนานุปัสนาให้ท่านฟังได้ปฏิบัติแล้วก็ฟังกันไปมาถึงช่วงเวลาของเราเนี่ยนะคะ มีคนถามอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวฉันเองก็สงสัยด้วยว่าเราเนี่ยจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องศีลแล้วถ้าหากว่าในบทเรียนบางทีเขาบอกว่าศีลเนี่ยคู่มากับเบญจะทำคือเหมือนกับศีลห้าเนก็เบญจะศีลใช่ไหมคะเบนจากห้าทีนี้เขาบอกว่าควบคู่กันไปกับเบญจะทำเบญจะทำเลยอยากกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ดิฉันศึกษาผู้ทวจะนะมาเป็นเวลาพอสมควรน ะ, นะคะไม่เคยได้ยินคําว่าเบนจรรมโดยเฉพาะอันนี้มีอยู่ในพุ้ทวจะนะหรือว่าเขามาสรุปเป็นหัวข้อภายหลังคะ่ะคือครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆท่านพบว่าเอศีนศีนห้าความเป็นปกติ5อย่างที่ พ, พระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยเราจะใช้กุศโลบายอะไรใช้ธรรมะข้อไหนในการที่จะเอาตัวให้รอดพ้นจากศีลได้ นี่หรอไหมท่านก็เลยยกว่าเออถ้าคนจะฆ่าสัตว์เนี่ยให้แก้ด้วยความเมตตากรุณาโอค่ะเออถ้าคนจะลักทรัพย์เนี่ยให้แก้ด้วยสัมมาอาชีวะหรือการให้ทานค่ะถ้าคนจะประพฤติผิดในการมเนี่ยให้แก้ด้วยการสำรวมในการมหรือการมสังวรหรือว่าใช้วิธีที่เรียกว่าความพอใจด้วยภรรยาตนก็ได้ค่ะส่วนถ้าคนจะพูดผิดพูดปดก็ให้แก้ด้วยความสัจจะ ในการพูดจริงแล้วก็ถ้าคนจะประพฤติผอ่การดื่มน้ําเมาเนี่ยก็ให้ใช้ความไม่ประมาทหรือว่าใช้สติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านหยิบขึ้นมาข้อธรรมเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละอ๋อค่ะอ่าหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะมาจับอ่าในการที่จะแก้ไขเรื่องศีล อ, อ๋อค่ะก็จะได้เข้าใจกันถูกต้องตรงทางว่าแล้วจะแก้อย่างไรด้วยคําสอนของพระพุทธองค์ ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะที น, นี้พระรูปเจ้าก็ไม่ได้กรุป๊ปไม่ได้จัดหมวดหมู่หรอกว่ามีเบญจธรรมหรือว่าอะไรก็เป็นกุศโลบายของครูบาอาจารย์ที่ท่านจะใช้กุศโลบายเรื่องศีลในการที่จะนําตัวเองออกจากกุศโลบายเรื่องทานในการที่จะนําตัวเองออกจากการถือเอาทรัพย์เจ้าของไม่ได้ให้ออย่างนี้เป็นต้นค่ะนะคะทีนี้มีคําถามจากท่านผู้ฟังชื่อคุณนงนุชค่ะอาจารย์คะนงนุชอ๋อ คุณนุชก็ขอไปอชื่อคุณนุชลุ้นๆทุ่นๆฝากถามมาว่าอภิธรมธธ ร, มมธรมเป็นพุทธพจน์หรือไม่คุณนุชสามารถอภิธรรมเป็นพุทธพจน์หรือไม่ในนักวิชาการในประเทศไทยและต่างประเทศเนี่ยเขามีทั้งสองความเห็นส่วนที่บอกว่าเป็นพุทธวจนะก็มีส่วนที่บอกว่าไม่ใช่พุทธวจนะก็มี ทีนี้อขอภัยนะคะคุณนุชเนี่ยมีคำถามที่ยาวกว่าดิฉันจะกราบเรียนถามท่านทั้งหมดเลย <Okay. S 1> เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการตอบไปสักคราวเดียวนะคะใช่ได้คำถามนี้นอกจากจะถามว่าอภิธรรมเป็นพุทธพจน์หรือไม่ก็ยังถามต่อว่าควรจะเรียนรู้อภิธรรมมากน้อยแค่ไหนและวงเล็บมาว่าเพราะอภิธรรมเป็นเครื่องหนึ่งของพระไตรปิฎกโอเคค่ะ ทีนี้ถ้าถ้าอาตมาจะกล่าวว่าเอ้ยอันนี้เป็นอภิธรรมเป็นพุทธวัจนะหรือถ้าอาตมาจะฟังทงความเห็นว่าอภิธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นพุทธวัจนะเนี่ยก็จะต้องไปขัดแย้งกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง <ês. S 1> พุทธเจ้าบอกว่า อ, อริยสาวกเนี่ยหรือเราผู้ที่ประพฤติธรรมเนี่ยไม่ควรจะกล่าววาจาขัดแย้งกับใครในโลกเราไม่กล่าววาจาขัดแย้งกับใครใครที่เห็นว่าอภิธรรมเป็นพุทธวัจนะก็โอเคใครที่เห็นว่าอภิธรรมไม่ใช่พุทธวัจนะก็โอเค แต่ประเด็นคือว่าคุณนุชเนี่ยไปอ่านอภิธรรมแล้วเข้าใจไหมละ่ะถ้าเข้าใจปฏิบัติได้ก็ทําได้ถ้าไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ต้องทําแล้วอ่านตรงไหนเข้าใจก็ทําตรงนั้นเพราะฉะนั้นอ่านพระสูตรเข้าใจพระสูตรก็ปฏิบัติพระสูตรอ่านอภิธรรมไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งปฏิบัติทําตรงที่เราเข้าใจก่อนเพื่อการหลุดพ้นเพื่อประโยชน์ของเราก่อนอันนี้ดีที่สุดแน่นอน ใครจะว่ายังไงไม่เป็นไรแล้ว เ, เข้าใจเราก็ดีไม่เข้าใจเราก็ไปอ่านตรงที่เราเข้าใจอันนี้ดีที่สุดค่ ะ, ะหมายความว่าท่านอาจารย์เนี่ยไม่ฟันธงไปเพราะว่ามีครูบาอาจารย์จํานวนมากที่ได้กล่าวว่าอภิธรรมเนี่ยเป็นทั้งพุทธพจน์บ้างก็บอกว่าไม่ใช่พุทธพจน์แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการรวบรวมเอาสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นคําสอนของพระพุทธองค์อท่านก็ครูบาอาจารย์ท่านก็รวบรวมมา ทนี้ตัวธรรมมาเองโดยส่วนตัวเองเนี่ยแล้วอ่านอภิธรรมแล้วเราไม่เข้าใจคพราะเราอ่านอภิธรรมแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยไม่เป็นไรนี่เป็นตําราที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเรายกไว้ก่อนใช่ปะเอ๊ะเราไปอ่านพระสูตรเราเข้าใจไหมโอ้เข้าใจทําดนได้ไหมทําได้จิตของเราเป็นอย่างนี้ไอสอดคล้องกับอาการที่พระเจ้าตรัสเราอ๋อให้ทําอานาปัญสติหายใจเข้าหายใจออกรู้เวทนาอย่างนี้โอ้ทําได้ไว้พอทําได้เราก็ทําสิ เราก็ศึกษาพระสูตรไปมีข้อไหนเราไม่เข้าใจเราก็เปรียบเทียบมาตอบกันได้อยู่ในหมวดในในหมวดของพระสูตรเพราะนั้นก็เลยศึกษาอยู่แต่ตรงนี้เพราะว่าอศึกษาอภิธรรมเนี่ยถ้าบอกว่าครึ่งนึงเนี่ยเอาเอาตรงไหนมาวัดเพราะว่าจริงๆพระสูตรเนี่ยมันเยอะกว่าอภิธรรมถ้าจํานวนเล่มนะค่ะถ้าจํานวนเล่มจํานวนตัวอักษรเนี่ยพระสูตรเนี่ยจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้น คำถามที่ว่าควรจะเรียนหรือไม่เนี่ยก็ตอบไปแล้วว่าถ้าอ่านแล้วเข้าใจก็ปฏิบัติไปอ่านแล้วไม่เข้าใจก็เว้นไปปฏิบัติอนส่วนที่เข้าใจนะคะแล้วก็ศึกษาเอาศึกษาตรงที่ง่ายที่สุดก่อนพระธรรมเนี่ยเป็นของง่ายคําของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่จํากัดการรู้ได้เฉพาะตนควรเชิญคนอื่นมาดูแล้วถ้าเชิญคนอื่นมาดูแล้วก็ไม่เข้าใจเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะนั้นเราก็เอาตรงที่เราเข้าใจนี่แหละ ดีที่สุดนะคะจะได้ไม่ทําให้เราขัดข้องด้วยในการที่จะเดินก้าวหน้าไปในการที่จะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์อ่าใช่เท่ากับว่าคุณนุชเองก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่ฝักใฝ่ในธรรมใช่สนใจเรื่องเกี่ยวกับธรรมะรู้ว่าปิธรรมอะไรเป็นยังไงดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้นี่มีคนหันเข้ามาสนใจธรรมะเยอะมากนะคะดิฉันเองเมื่อวานไปเจอ คนที่ถ้าเป็นภาษาคนสมัยใหม่เขาบอกพวกให้เป็นพวกไฮโซแต่งตัวสวยพริ้งนั่งอยู่ข้างๆเาบอกว่าเนี่ยกำลังเรียนปริญญาเอกทางด้านพระพุทธศาสนา oh. นะคะแล้วก็มีกิจกรรมในการที่จะส่งเสริมให้คนที่ติดคุกได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม oh. โดยรัตนนาพระคุณเจ้าที่เก่งทางด้านนี้หรือว่าอาจจะเป็น ครวาดเป็นประเภทอุบาสกที่เก่งทางด้านนี้เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าไปสอนให้กับผู้ที่อยู่ในคุกฟังดูแล้วก็รู้สึกดีนะคะว่าคนทุกชนชั้นเลยที่หันเข้าใกล้ธรรมมากขึ้นก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะเมื่อวานบอกว่าปฏิบัติธรรมใหญ่ทําหนักทางด้านดีจะช่วยทําให้ส่วนที่เป็นกรรมไม่ดีนั้นเจือจางลงไปได้การปฏิบัติธรรมค่ะมีคําถามของ ผู้ฟังรายการที่ส่งไปที่ที่อ e ีเมลถึงท่านนะนะคะคุณภูสนิสามักคเนมีถามว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าจะโปรดสัตว์ท่านเลือกหรือไม่ว่าบุคคลใดควรโปรดบุคคลใดไม่ควรโปรดส่งเลือกไหมค ะ, ะพระพุทธเจ้าจะพิจารณาจากอินทรีย์ของบุคคล น, นั้นว่าแก่อ่อนประมาณไหนสามารถจะเข้าใจทำระดับไหนได้ เอาง่ายๆเลยตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆเนี่ยโคมันมีความคิดว่าแหมทํานี้มันเป็นของยากลึกซึ้งเป็นอนุญาตที่จะแหลงลงได้แห่งการตริตรึกใครเนาที่จะมารู้ทำได้ค่ะคิดหาคิดหาโอ้อลณาบดีกลามโคตรน่าจะรู้ได้นะคิดต่อไปอา่าอุติกาดาบทน่าจะรู้ได้อคิดต่อไปอ๋พอพระสรงห้ารูปนี้นปัญจะวะัคคียน่าจะรู้ได้ก็คือเลือกก่อนเนี่ยว่าใครควรจะจะเป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตาจะน้อยค่ะ เลือกพูะพุทชเจาเลือก อ, อเพราะฉะนั้น<อ>การเลือกของพุทธเจ้าก็พิจารณาตามอินทรีย์นะว่าแก่ห่อนเป็นอย่างไรส่วนเรื่องที่ว่าการพิจารณาอย่างอื่นเนี่ยพรุทธเจ้าก็อาจจะเป็นวาระวาระไปว่าจะพิจรารณาคือคนที่รู้ทําเห็นทําแล้วในพุยมสิวเขาจะระลึกถึงบุคคลที่มีอุปการะแก่เขาก่อนค่ะพร<บ>ะพุทธเจ้าก็ตรัสมาอย่างนั้นก่อนว่าให้ใครมีอุปการะแกเรามากเราจะไปตรัสเทศสอนคนนั้น อ๋อคือเหมือนกับแสดงความกระตันยูอย่างนั้นรึเปล่าคะถูกต้องใครมีบุลารรกับเร า, า, ราเนี่ยแม่อยากจะคิดถึงคนนั้นให้เขาได้รู้ได้เห็นธรรมานิบ้างดังนั้นถ้าหากว่าพวกเราเร า, เร า, เราท่านๆได้รู้ธรรมะแล้วมันจะเกิดโดยอัตโนมัติไหมคะท่านหรือว่าเป็นหลักสูตรต้องเดินตามพระพุทธเจ้าว่าต้องไปหาคนที่คุณสมบัติคนธรร ม, ามกาละอันนี่ก็คือว่าเชิญให้คนมาพิสูจน์ เพราะนั้นพอคุณรู้ทำระดับไหนเห็นทำระดับไหนแล้วเนี่ยเอาแค่ ง, ง่ายๆนั่งสมาธิแล้วสิเป็นสุขเอาไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ถือศีลแล้วไม่โดนดา่า hmm. นะคุณอยากจะไปเที่ยวบอกคนอื่นนะแน่นอนม嘛เฮ้ย <Hey, S 1> ุณไม่ต้องฟื้โกหกสีหรือไม่ต้องปฏิบัติตามศีลดีไม่ต้องถูกด่ะมันเชิญคนมาพิสูจน์อันนี้คือคุณสมัครกอกธรรมะ <c oughs> ค่ะเพราะนั้นเรารู้เองเห็นได้เอง ไม่ใช่ว่าสมมุติอาจรมาจะแหกอกตัวเองอ่เอาไปความสุขจากสมาธิให้คุณจตุณี <c oughs> ให้ตัก้อนหนึ่งให้ทุกค น, คนก้อนละก้อนมันไม่ได้ค่ะว่ามันรู้ได้เองเห็นได้เองเฉพาะตนต้นจันคะทีนี้เมื่อสักครู่กับคําตอบที่ว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะปโปรดสัตว์เนี่ยจะทรงเลือกโดยหลักว่าจะดูอินทรีย์พร้อมหรือเปล่า <c oughs> แก่กล้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยแล้วมีไหมคะที่ทรงเลือกจะไม่สอนผมมีมีคนประเภทไหนคะ มีตัวอย่างมีแล้วในครั้งพุทธกาลมีพระรามองค์หนึ่งมาบอกว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสถามถามเรื่องนี้เรื่องนี้ถามเรื่องโลกนะว่าโลกมีโลกนี้มีโลกหน้ามีอะไรไหมพระพุทธเจ้าบอกปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่เราไม่พยากรณ์พระรามองนี้ก็ถามต่อว่าแล้วอะไรที่พุทธเจ้าพยาก่อนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ๋อนี่ไงมรรคแปดแล้วพระรามองค์นี้ก็ถามต่อว่าอาอแล้วที่ทรงพยากรณดเรื่องมรรคแปดเนี่ยแล้วก็เพื่อเพื่อความดับเพื่อนิพพานเนี่ยคนครึ่งโลก หรือทั้งโลกหรือหนึ่งในสามของโลกน่ะที่เห็นธรรมนี้พระพุทธเจ้าก็นิ่งไม่ตอบตามองนี้ก็หลีกไปแปลว่าอย่างนี้แปลว่าท่านไม่สอนแล้วใช่ไหมคะเพราะรู้ ว, ว, ว่าคนนี้เขาปิดประตูปิดประตูก็แม้บอกขนาดนี้แล้วยังจะมีความคิดเรื่องโลกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือมีทิฏฐิเดิมอยู่ก็นิ่งจะดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ทรงเ อ, อตรัสสั่งไว้ใช่ไหมคะว่าภิกษุทั้งหลายคนแบบนี้ไม่ต้องสอนอะไรเงี้ยคะ่ะ พระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่มีความเอ็นดูเมตตาเกื้อกูลแก่สรรทั้งหลายหลังจากที่ตรัสรู้ธรรมแล้วมีพระรอรหันต์หกสิบรูปแล้วก็บอกว่าจงไปนะเพื่อความเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเมตตาดั่งห้วมหานคร <c oughs> เวลาที่พระพุทธเจ้าจะตรัสถามสอนธรรมเนี่ยก็ตรัสอย่างละัะไม่ละลวมแล้วก็แสดงธําโดยงดงานเบื้องต้นทา่ากลางที่สุด ใครที่ได้ฟังทำเนี่ยคนเข้าใจก็ดีคนไม่เข้าใจได้ได้เข้าใจแม้หนึ่งบทก็ดีนะถึงแม้จะไม่เข้าใจได้เห็นพบได้เห็นพระผู้มีพระภาคก่อนตายเขาระลึกถึงก็จะเป็นไบเพื่อสวรรค์อยู่แล้วค่ะเท่ากับว่าพระพุทธองค์ของเรานั้นทรงมีพระเมตตาที่ไม่มีประมาณแล้วก็ท่านก็ยังทรงได้แสดงเป็นตัวอย่างให้สาวกของพระองค์นั้นมีเมตตาเป็นประมาณด้วยเช่นเดียวกัน หมายความว่าเมตตานั้นเป็นคุณสมบัติที่จะทําให้การปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเกิดขึ้นด้วยหรือยังไงคะเมตตาเนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้ า, อ, <ต>าอยู่แล้วพระพุทธเจา้ตาตรัสวาถ้าใครเนี่ยจะเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอนะเธอก็อย่ามีวาจาชั่วยหยาบแต่จงมีจิตเมตตาดูนทร์เกื้อกูลนะประกอบด้วยความเกื้อกูลใหญ่หลงอย่างไม่มีประมาณแผ่ไปยังบุคคลนั้นด้วย อ่าเหมือนกับอ่าพระเยซูคริสต์หรือจิสัสไครส์เนี่ยใครจะมาตีจะมาด่ามาว่าถูกลงโทษ<ม>ด้วยวิธีที่หนักที่สุดคือการตรึงกางเขนก็ยังมีจิตเมตตากับพวกชาวอิู่ถ้าอาจารย์คะทีนี้ความเมตตาเนี่ยสำหรับคนทั่วๆไปที่ยังต้องบริโภคการหนาวร้อนๆกับเรื่องที่มันเป็นกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะคะ คิดว่าจําเป็นไหมที่คนเหล่านี้จะต้องมีคุณสมบัตินี้หรือว่าไม่อมันก็แล้วแต่ถ้าสมมติเขาอยู่ในฐานะที่เมตตาใครไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเมตตามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเสียหายหรือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องไปบอกสอนตามคําสอนของพระศ า, าสดาออถ้าไม่เมตตาก็ให้อดทนถ้าไม่อดทนก็ให้มีความอย่าเบียดเบียนเ้นเาถ้าไม่เบียดเบียนเ้นเาก็ให้มีความรักใคร่เอ็นดู นี่บอกไหมถ้าเผื่อว่าเราทําจิตเมตตาไม่ได้นะคนนี้เห็นแล้วมันจี๊ดมากเลย<อ>หน้าตาเขาไม่สามารถแผ่ความเมตตาไปให้ได้ทําไม่ได้ทําไม่ไหวทำไม่ทำไม่เป็นละค่ะก็ให้อดทนให้อดทนให้อดทนให้อดทนแล้วยังไงต่อนะคะรักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาสิทิ์ด้วยความรักใคร่เอ็นดูอ๋ออยู่ในหัวข้อนี้เองใช่ใชไม่เบียดเบียนรักใคร่เอ็นดู แต่หนึ่งก็ได้ในสี่อย่างนี้ค่ะดิฉั้นเองเนี่ยเป็นคนชอบพุทธว จ, จนะสองบทที่ว่ารักษาตนกับรักษาผู้อื่นเนยอะมากเลยนะค ะ, ะเพราะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องจํามากเรารู้เป็นหลักๆเลยว่าถ้าเราจะรักษาผู้อื่นเนี่ยให้อดทนให้ไม่เบียดเบียนให้เมตตาจิตให้รักใคร่เอ็นดูเขาแล้วก็ส่วนเราเนี่ยรักษาตนด้วยการเศรษธรรมะทําให้มากซึ่งธรรมะ อสองบทนี้จะเป็นไปเพื่ออะไรกันคะอะผู้ที่ทําอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการรักษาผู้อื่นแล้วก็เป็นการรักษาตนอืรักษาตนด้วยการรักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นด้วยการรักษาตนเพราะว่าคุณสรนสนีลองคิดดูนะถ้าเราไม่เปลี่ยนบ เ, บเขาเราอดทนเรารักใคร่เอ็นดูเรามีแต่ความเมตตาเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะหาอากุศลทำไม่ได้เลยค่ะก็<อ>เท่ากับว่าเหมือนกับดําเนินชีวิตมีวิธีคิดที่เป็นไปเพื่อ การปฏิบัติธรรมเช่นกันคนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องมีสติอย่างที่ท่านมากรา่าวเมื่อตอนต้นไงีสติอยู่ในอะไรลมหายใจไงพอมีเวทนาไม่ชอบคนพูดเรื่องนี้มาไม่ชอบไม่ชอบเลย<ม>ให้อยู่ในลมหายใจทันทีค่ะเวทนาคือชอบไม่ชอบถูกไหมคะชอบไม่ชอบหรือว่าทั้งชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่หรือว่าเฉยๆนั่นแหละค่ะก็ต้องมีจิตแบบนี้วันนี้ก็คงจะ ได้คําตอบกันไปพอสมควรทีเดียวเกี่ยวกับประเด็นที่ท่านสงสัยตลอดจนที่เราหยิบยกขึ้นมาถามพระจันภัยบูุญอภิปุนโนให้ตอบด้วยพุทธวจนะเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะก็นมันสการขอบคุณพระจันภัยบุญไว้ในโอกาสนี้ค่ะอาจรย์ปอส่วนท่านฟังที่กําลังรับฟังรายการสรสนีสนทนาซึ่งดําเนินรายการโดยดิฉันสันสนีนาคพงศ์อยู่ทางสถานีวิทยุ FM 106ครอบครัวข่าวและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติที่ฉันได้ประกาศไปในตอนช่วงกลางรายการนะคะว่าเรามีหนังสือพุทธวจนะอาณาปานสติโดยพระตถาคตซึ่งทางสิทธิ์ของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลนได้ร่วมกันจัดทำขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เป็นทางลัดสั้นตรงทาง สู่มรรคผลจากข้อมูลที่ถูกต้องคือเป็นคำของพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกหรือสำหรับท่านที่เคยปฏิบัติไปก็ลองเอาไปอ่านดูว่าตรงกับคำสอนของพระพุทธองค์หรือไม่แล้วก็จะได้สู่มรรคที่ถูกต้องได้นะคะติดต่อกันเข้ามาเราแจกวันละหนึ่งเล่มก่อนนะคะในตอนนี้ที่0 2 2 6 9 0 0ง6ติดตามรับฟังรายการกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ